เมื่อพระชาลีราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระมหาสัตย์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรแต่นั้นพระชาลีราชกุมารเมื่อทรงคร่ำครวญปรารบถึงพระชนกชนนีจึงตรัสว่าทุกนี้ไม่ใช่ทุก์ที่แท้จริงของลูกเพราะทุกเช่นนี้อันลูกผู้ชายพึงได้รับส่วนทุกอันใดที่ลูกจักไม่ได้เห็นพระมารดา ทุกนั้นของลูกเป็นทุกยิ่งกว่าทุกที่ถูกตาพรามนี้เคี่ยนตีทุกนี้ไม่ใช่ทุกที่แท้จริงของลูกเพราะทุกเช่นนี้อันลูกผู้ชายพึงได้รับส่วนทุกอันใดที่ลูกจักไม่ได้เห็นพระบิดาทุกนั้นของลูกเป็นทุกยิ่งกว่าทุกที่ถูกตาพรามเคี่ยนตีพระมารดาจักเป็นกำพรราเสียแน่แท้ เมื่อไม่ได้ทรงเห็นกันหาชินากุมารีผู้มีความงามน่าดูก็จะทรงกันแสงหาตลอดราตรีนานพระบิดาจักเป็นกาพร้าเสียเป็นแน่แท้เมื่อไม่ได้ทรงเห็นกันหาชินากุมารีผู้มีความงามน่าดูก็จะทรงกันแสงหาตลอดราตรีนานประมาณดาจักเป็นกาพร้าเสียแน่แท้ เมื่อไม่ได้ทรงเห็นกันหาชินากุมารีผู้มีความงามน่าดูก็จะทรงกันแสงอยู่ในอาสมชานานพระบิดา จ, เ keeper, เ ai, ดาจากเป็นกรรมพระเสียแน่แท้เมื่อไม่ได้เห็นกันหาชินากุมารีผู้มีความงามน่าดูก็จกทรงกันแสงอยู่ในอาสมชานานพระมารดาจกเป็นกรรมพระเสียแน่แท้ จักทรงกันแสงอยู่ตลอดราตรีนานทรงระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครึ่งคืนหรือตลอดคืนจักทรงสูบซีดเหี่ยวแห้งไปเหมือนแม่น้ำน้อยในฤดูแล้งเหือดแห้งไปฉะนั้นพระบิดาจักเป็นกาพร้าเสียแนแท้ทรงกันแสงอยู่ตลอดราตรีนาน ทรงระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครึ่งคืนหรือตลอดคืนก็จะทรงสูบซีดเหี่ยวแห้งไปเหมือนแม่น้ำน้อยในฤดูแล้งเหือดแห้งไปฉะนั้นรุกชาตเหล่านี้มีต่างๆพันคือต้นว่าต้นยางทายกิ่งห้อยย้อยวันนี้เราทั้งสองจะต้องละรุกชาตเหล่านั้นไป รุกขชาติที่มีผลต่างๆชนิดคือโพขนุนไสและมะขิดวันนี้เราทั้งสองจะต้องละรุกขชาตเหล่านั้นไปนี่สวนนี่สระน้าเย็นใสเราเคยเที่ยวเคยลงทรงสนารมาแต่การก่อนวันนี้เราทั้งสองจะต้องละสวนและสระน้านั้นไปบุพชาติต่างๆชนิดบนภูเขาโน้น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 พระบิดาทรงปั้นเพื่อให้เราทั้งสองเล่นเราเคยเล่นมาในการก่อนวันนี้เราทั้งสองจะต้องละตุ ก, กตาเหล่านั้นไปบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าลูกผู้ชายปุมุนาความว่าทุกนี้อันบุรุษผู้ท่องเที่ยวอยู่ในภพพึงได้ข้อว่าทุกนั้นของลูกเป็นทุกยิ่งกว่าทุก ที่ถูกตะพรามนี้เคี่ยนตีตังเมทุกขตาังอิโตความว่าทุกของหม่มฉันผู้ไม่ได้เห็นประมาณดานั้นเป็นทุกยิ่งกว่าทุกที่เกิดแต่ถูกเคียนตีนี้ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าคำว่าก็จักทรงกันแสงรุชติได้แก่จักทรงร้องไห้คำว่าตลอดครึ่งคืนหรือตลอดคืน อัทรัเตวะรัตเตวาความว่าทรงนึกถึงเราทั้งสองจักทรงกันแสงนานตลอดกึ่งราตรีหรือตลอดราตรีคำว่าจักทรงสูบซีดเหี่ยวแห้งไปอะวะสุดสติพระชาลีราชกุมารตรัสโดยประสงค์อย่างนี้ว่าพระมารดาจักเหี่ยวแห้งเหมือนแม่น้ำเล็กๆซึ่งมีน้ำน้อย คือเมื่ออรุณขึ้นจากเหี่ยวแห้งสิ้นพระชนเหมือนแม่น้ำนั้นจากเหือดแห้งทันทีฉะนั้นคำว่ากิ่งห้อยย้อยเวทิสาได้แก่มีกิ่งห้อยคำว่าเหล่านั้นตานิความว่ารากไม้ดอกไม้ผลของต้นไม้เหล่าใดที่เราจับเล่นเป็นเวลานาน เราทั้งสองจะต้องละต้นไม้เหล่านั้นไปในวันนี้คำว่าตุกตาช้างหัตถิกาได้แก่ตุกตาช้า ง, าาางที่พระบิดาปั้นให้เราทั้งสองเล่นเมื่อพระชาลีราชกุมารกับพระภักินีกันหาชินาทรงคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็มาโบยตีกุมารกุมารีพาตัวหลีกไป พระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าสองพระกุมารอัญชูชกกำลังพาไปได้กราบทูลสั่งพระบิดาดังนี้ว่าข้าแต่พระชนกนาศขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาตรัสบอกพระมารดาวา่าลูกทั้งสองไม่มีโรคและขอพระองค์จงทรงพระสัมราญ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 การนั้นความเศร้าโศกอันแรงกล้าเพราะปรารบ พ, พระโอรสพระธิดาได้เกิดขึ้นแก่พระมหาสัตว์พระหัทัยมังสะของพระมหาสัตว์ได้เล่าร้อนพระองค์ทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกดุดช้างพลายตกมันถูกไก่สอนราชสีจับและดุดดวงจันเข้าไปในปากแห่งราหูไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยภาวะของพระองค์ มีพระเนตรนองไปด้วยพระอสุชนสเสด็จเข้าบรรณาศาลาทรงปริเทวนาการอย่างน่าสงสารพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระเวสสันดรคติยราชครั้นทรงบำเพ็ญฐานแล้วสเสด็จเข้าบรรณาศาลาทรงกันแสงพิลาบ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 ลูกทั้งสองจะเมื่อยล้ามีบาถาฟกบวมใครจักจูมือลูกทั้งสองเดินทางอย่างไรหนอพราหมณ์นั้นช่างร้ายกาจไม่ละอายเขียนตีลูกทั้งสองผู้ไม่ประทุษร้ายต่อหน้าเราแม้คนตกเป็นทาสีเป็นทาสของเราหรือคนรับใช้อื่นใครที่มีความละอายจะเขียนตีคนที่ต่ำต้อยแม้เช่นนั้นได้ รามช่างดาช่างตีลูกรักทั้งสองของเราผู้มองเห็นอยู่ซึ่งเป็นเหมือนดังปลาติดอยู่ที่ปากรอบปากใสฉะนั้นบรรดาคาเหล่านั้นคำว่ากันวัชชะวันนี้อย่างไรหนอตัดเป็นกังนุอัชชะคำว่าจะต้องเดินทางไกลร้องไห้สะอึกสะอื้นอุ ป, ปรุษเฉนติ ความว่าจะเดินร้องไห้ไปตลอดทางหกสิบโยดคำว่าเป็นเวลาบริโภคอาหารสังเวสนากาเลได้แก่เวลาอาหารของมหาชนข้อว่าใครจะให้แก่ลูกทั้งสองนั้นโกเนทัสติความว่าใครจะให้โภชนาหารแก่ลูกๆเหล่านั้น พ่อว่าจากเดินทางอย่างไรได้กรถั น, นุปถังคดฉันติได้แก่จกเดินทางหกสิบโยดได้อย่างไรเนอคคำว่าด้วยเท้าเปล่าปฏิกาได้แก่เว้นจากยานคือช้างเป็นต้นคำว่าไม่มีรองเท้าอนุปาหนาได้แก่มีเท้าละเอียดอ่อนแม้เพียงรองเท้าก็ไม่มี คำว่าจักจูงขะเหตุสติความว่าใครจะช่วยประคองเพื่อบรรเทาความลำบากคำว่าเป็นทาสีเป็นทาตทาสีท า, ท า, ทาสัสสะได้แก่เป็นนางทาสีเป็นทาตคคำว่าหรือคนรับใช้อื่นอัญโยวาปณ ะ, ะเบิโยความว่าผู้รู้ว่าบุคคลใดเป็นคนรับใช้ เป็นคนคอยปรนิบัติชั้นที่สของเราบุคคล น, นั้นแม้ต่ำต้อยอย่างนี้บุคคล น, นี้ก็ยังเป็นทาตเฉพาะของพระเวสสันดรโดยสืบต่อเป็นทาตและทาตเฉพาะอย่างนี้ว่าเป็นทาตแม้ของบุคคล น, นั้นนั้นคำว่าใครที่มีความละอายโกลัชชีความว่าใครที่มีความอดสูแก่ใจจะกล้าตี คือการที่ผู้ไม่มีความละอายนั้นจะตีบุตรของเราไม่สมควรเลยหนอคําว่าซึ่งเป็นเหมือนดังปลาวาริชัดเสวะความว่าเราเหมือนปลาที่ติดอยู่ในปากรอบปากใสออักษรในคําว่าอปัสโตผู้มองเห็นเป็นเพียงนิบาศชูชกทั้งด่าทั้งตีลูกๆที่รักของเรา ทั้งทงที่เราเห็นอยู่ทีเดียวโอตานี่ทารุณเหลือเกินครั้งนั้นความปริวิตตกได้เกิดขึ้นแก่พระเวสสันดรมหาสัตว์ด้วยทรงศิเนหาในพระโอรสและพระธิดาอย่างนี้ว่าเราเมื่อไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้ด้วยคิดว่าพรามนี้เบียดเบียนลูกทั้งสองของเราเหลือเกิน เราจะติดตามไปฆ่าพราหมณ์เสียแล้วนาลูกทั้งสองกลับมาแต่นั้นกลับทรงหวนคิดได้ว่าการเบียดเบียนซึ่งกุมารกุมารีทั้งหลายอันก่อให้เกิดทุกอย่างยิ่งแก่เรานั่นไม่ใช่ฐานะขึ้นชื่อว่าการบริจาคทานแล้วเดือดร้อนภายหลังหาใช่ธรรมของสัตบุรุษไม่คาถาแสดงความปริวิตกสองคาถา ที่ส่องเนื้อความนั้นมีดังนี้ว่าเราจะถือธนูด้วยมือขวาเน็บพระขันไว้เบื้องซ้ายไปนำลูกทั้งสองของเรากลับมาเพราะลูกทั้งสองถูกเคี้ยนตีเป็นทุกข์การที่ลูกทั้งสองต้องเดือดร้อนเป็นทุกแสนสาหัสไม่ใช่ฐานนะก็ใครเล่ารู้ธรรมของสัตว์บุรุษแล้วให้ทานย่อมเดือดร้อนภายหลัง บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าของสัตปรุษสัตสตังได้แก่ธรรมคือประเพณีของพระโพธิสัตว์ในการก่อนได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้นทรงอนุสน์ถึงประเพณีแห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในขณะนั้นแต่นั้นพระองค์ทรงดาริว่าพระโพธิสัตว์ทั้งปวงไม่ทรงบริจาคมหาบริจาคห้าประการเหล่านี้ คือบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคบุตรบริจาคภรรยาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่เคยมีก็ตัวเราก็นับเข้าอยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์เหล่านั้นหากเราไม่บริจาคบุตรและธิดาก็ไม่อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วยังสัญญาให้เกิดขึ้นว่าแน่ αι, เวสสันดร เป็นอย่างไรท่านไม่รู้ความที่บุตรและบุตรีที่ให้เพื่อเป็นทาตทาสีแก่ชนเหล่าอื่นจะนำมาซึ่งความทุกข์ดอกหรือเราจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุไรเล่าแล้วทรงดำริต่อไปว่าขึ้นชื่อว่าบริจาคทานแล้วตามเดือดร้อนภายหลังหาสมควรแก่ท่านไม่ทรงตัดเพาะพระองค์เองอย่างนี้แล้ว ทรงอธิษฐานสมาทานศีลมั่นโดยมณสิการว่าถ้าชูชกฆ่าลูกทั้งสองของเราจำเดิมแต่เวลาที่เราบริจาคแล้วเราจะไม่กังวลอะไรอะไรแล้วเสด็จออกจากบนนารรณศาลาประทับนั่งณนะแผ่นศิลาแทททว า, บนนารบรรณศาลาดุดปฏิมาทองคําฉะนั้น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 เราทั้งสองจกตายด้วยกันเราทั้งสองจะเป็นอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์พระบิดาผู้เป็นจอมประชานิกรประธานเราทั้งสองแก่พรามผู้สแสวงหาทรัพย์เป็นคนร้ายกาดเหลือเกินแก่เคี่ยนตีเราทั้งสองเหมือนนายโคบานโบยตีโคฉะนั้นลุกชาติเหล่านี้มีต่างต่างพัน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 เราเคยเล่นในการก่อนน้องกันหาเราทั้งสองจะต้องละตุกตาเหล่านั้นไปบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าลูกคนใดยัษะความว่ามารดาของตนไม่มีในสำนักของผู้ใดชูชกพรามพลาดล้มในสถานที่ครุขระแห่งหนึ่งอีกเทวันที่ผูกก็เคลื่อนหลุดจากพระหัต พระราชกุมารกุมารีทั้งสององค์มีพระกายสัน่นตุดไก่ถูกตีนี้มาหาพระราชบิดาโดยเร็วพร้อมกันพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและกันหาชินาอัญชูชกพรามนำไปพอหลุดพ้นจากมือพรามตางก็วิ่งหนีไปในสถานที่นั้นๆน บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในสถานที่นั้นๆเตนะเตนะความว่าได้วิ่งไปหาพระราชบิดาของเธอทั้งสองขณะที่หลุดพ้นจากพรามชูชกนั้นอธิบายว่าวิ่งมาสู่สำนักของพระราชบิดาทีเดียวฝ่ายชูชกลุกขึ้นโดยเร็วถือเถาวันและไม้เท้าบรรดาลโทสะ เหมือนไฟตั้งขึ้นแต่กันฉะนั้นมาแล้วกล่าวว่าเจ้าทั้งสองฉลาดหนีเลือเกินผูกพระหัตถ์ทั้งสองแล้วนำพระกุมารกุมารีไปอีกพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพรามนั้นจับเทวันถือไม้ทุบตีพระกุมารทั้งสองนำไป เมื่อพระเวสสันดรสีวิราชกำลังทอดพระเนตรเห็นอยู่เมื่อพระชาลีและพระกันหาชินาอันชูชกนำไปอยู่อย่างนี้พระกันหาชินาเลี้ยวกลับมาทอดพระเนตรทูลพระราชบิดาพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระกันหาชินาได้กราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดา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 ช่างอะไรเลยนิ่งเฉย อ, อยู่ได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระบิดาตังได้แก่พระเจ้าศรีวิราชผู้พระชนกซึ่งประทับนั่งทอดพระเนตรดูอยู่นั้นคำว่าทาสียังคือทาสิกังธาตุคำว่าเพื่อจะกินเป็นอาหารขาทิตุงได้แก่ เพื่อต้องการจะเคี้ยวกินพระกันหาชินาราชกุมารีทรงคร่ำครวญว่าข้าแต่เสด็จพ่อก็ตาพรานนี้แกมีตาทั้งคู่แดงเหมือนมีโลหิตไหลนำหม่อมชั้นสองพี่น้องไปยังไม่ทันถึงช่องเขาเลยเพื่อจะเคี้ยวกินคือนำไปด้วยหวังว่าจะเคี้ยวกินเสียทั้งหมดพระองค์ก็ทรงเห็นหม่อมชั้นทั้งสองพี่น้องถูกนำไป เพื่อเคี้ยวกินหรือเพื่อต้มเสียขอพระองค์จงมีความสุขทุกเมื่อเถิดเมื่อพระกัญหาชินากุมารีน้อยทรงพิลาพรำพันองค์สัน ง, งันงกเสด็จไปอยู่พระเวสสันดรมหาสัตว์ทรงเศร้าโศกเป็นกำลังพระหทัยวัตถุก็เร่าร้อนเมื่อพระนาสิกไม่พอที่จะระบายพระอัศา ส, สาสะปัสสาสะ ก็ต้องทรงปล่อยให้พระอัสสาสะปัสสาสะอันร้อนออกทางพระโอษฐ์พระอัสสุเป็นดังหยาดพระโลหิตไหลออกจากพระเนตรทั้งสองพระเวสสันดรมหาสัตว์ท ร, ร, ร, ทรงดำริว่าทุกเห็นปานนี้เกิดพระโทษแห่งความเสน่หาหาใช่เพราะเหตุการณ์อื่นไม่เพราะฉะนั้นควรที่เราเป็นผู้มีจิตมัธยั วางอารมณ์เป็นกลางอยาทาความสเสน่หาแล้วทรงบรรเทาความโศกเห็นปานนั้นเสียด้วยกําลังพระยานของพระองค์ประทับนั่งด้วยพระอาการเป็นปกติพระกันหากุมารียังเสด็จไม่ถึงช่องเขาก็ทรงพิลาบรำพันพลางเสด็จไปว่าเท้าน้อยๆของเราทั้งสองนี้เป็นทุกข์ ทั้งหนทางก็ไกลยากที่จะเดินไปได้เมื่อพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงพรามณ์เล่าก็เร่งเราทั้งสองให้รีบเดินข้าพเจ้าทั้งสองขอคร่ำครวนกราบไหว้เทพเจ้าทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่ณภนะูเขาลำเนวไพรในสระน้ำและแม่น้ำอันมีท่าราบเรียบด้วยเสียงกล้าว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 โอ้นอพระเจ้าแม่ผู้ทรงเพศตาปัสินีทรงนำมูลพลาหารมาจากป่าได้ทรงเห็นอาสมอันว่างเปล่าก็จักทรงมีทุกข์พระมารดาเที่ยวสแสวงหามูลพลาหารจนล่วงเวลาคงได้มาไม่น้อยคงไม่ทรงทราบว่าลูกทั้งสองถูกพรามผู้สแสวงหาทรัพย์ผู้หยาดช้าร้ายกาจเหลือเกินผูกมัดเคี่ยนตี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 เท้าทั้งสองของเราฟกบวมหนอพราหมณ์ก็เร่งให้เรารีบเดินพระกุมารทั้งสองทรงรักใครในประมาณดาทรงกันแสงพิลาบอยู่ณที่นั้นด้วยประการชนี้แลบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเท้าน้อยน้อยปาทุกกาได้แก่พระบาทน้อยน้อยคำว่าคร่ำครวญโอกันธา ม, มหาเส ได้แก่โอดครวนข้าพเจ้าสองพี่น้องขอแสดงความนับถือคือความประพฤตินอบน้อมให้ทราบคำว่าในสระน้ำาสรัสะความว่าขอกราบไหว้เหล่าเทวดาคือตระกูลนาคผู้รักษาสะระปทุมนี้ด้วยเสียงกล้าวคำว่าแม่น้ำอันมีท่าราบเรียบสุ ป, ปะติดเถจะอาปะเก ความว่าขอกราบไหว้แม้เทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในแม่น้ำซึ่งมีท่าอันดีคำว่าป่ายญาละดาวันตินาลตาได้แก่ตินชาติและระดาชาติที่ห้อยย้อยลงคำว่าต้นไม้ที่เป็นโอสถโอสัตโทยะได้แก่พฤกษชาติที่เป็นโอสถ พระกันหาชินากุมารีตรัสอย่างนี้ทรงหมายถึงเหล่าเทวดาที่สิงสถิอยู่ในที่ทั้งปวงคำว่าปราถนาจะเสด็จติดตามมาอนุปติตุกา ม, มาความว่าแม้ถ้าพระแม่เจ้านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จมาตามรอยเท้าของลูกทั้งสองข้อว่าจะทันได้เห็นลูกทั้งสองโดยเร็วพลันอ ป, ปิ ปัดเสสิโนละหุมความว่าท่านทั้งหลายพึ่งบอกอย่างนี้ว่าเออก็พระแม่เจ้าเมื่อเสด็จตามมาตามทางที่เดินได้เฉพาะคนเดียวนั้นก็จะได้พบลูกน้อยทั้งสองของพระองค์ทันท่วงทีพระกันหากุมารีตรัสเรียกพระแม่เจ้าด้วยคำเรียกลับหลังว่าพระเจ้าแม่ผู้ทรงเพศตาปสินี ชัตตินีคำว่าจนล่วงเวลาอติเวลังได้แก่ทำให้เกินประมาณคำว่าเที่ยวสแสวงหาอุนชา้าได้แก่ได้มาด้วยการเที่ยวเสาะหาคำว่าผลไม้พลังได้แก่มูลพลาผลในป่าคำว่าอันเจือด้วยน้ำผึ้งขุดเทนะมิศกัง ได้แก่ผสมน้ำพึ่งเล็กน้อยคำว่ากินอาสิโตได้แก่ได้กินคือบริโภคผลไม้แล้วคำว่าอิ่มแล้วฉาโตได้แก่อิ่มน้ำแล้วข้อว่าไม่พึงเร่งให้เดินนักนภะพาละหังตระเยยะได้แก่ไม่พึงนำไปด้วยความเร็วจัด คำว่าทรงรักใครในพระมาณดามาตุคิดที่โนความว่าพระชาลีและพระกันหาชินาประกอบด้วยความรักในประมาณดามีความสเสน่หาเป็นกําลังจึงได้พร่ำรำพันอย่างนี้กุมารบับพว น, นาณาจบ